วันอาสารหาบูชาทำไมจึงเรียกว่าวันอาสารหาบูชาคำว่าบูชานี้ก็คือเป็นวันที่เคารพยกย่องมีความพิเศษว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตเป็นปฐมธรรมเทศนาซึ่งเป็นพระสูตรสูตรแรกที่พระองค์ได้ทรงแสดงและก็เป็นพระสูตรสูตแรกอีกเหมือนกันที่ทาให้พระัญญาโกลทัญญะ บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสงฆ์จึงอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงหลักการของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วต้องการอะไรหรือว่าประกาศพระธรรมเพื่ออะไรก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์บรรลุตั้งแต่วันวันวิสาขาก็คือวันเพ็ญเดือนหก เป็นวันที่พระองค์นั้นบรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดเริ่มต้นของการเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อวันวิสาขบุรีตอนนั้นพระชนของพระผู้มีพระภาคอายุสามสิบห้าแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้านะทุกวันนี้ถ้ามีคนถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเขาบอกเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ขอชี้แจงว่าพระพุทธเจ้านั้นเริ่มอุบัติมีขึ้นเมื่อวันวิสาขาปุรมีวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์วันนั่นแหละคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะพอพระองค์ได้บรรลุอริยสัจจะทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็สเสวยวิมุตติสุข อยู่ที่โคนต้นโพ อ, อีกลายวันตั้งจากนั้นพระองค์ก็พิจารณาว่าจะไม่แสดงธรรมพระองค์นี้ได้เกิดความคิดว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งนะพระองค์นี้ก็ขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมมีข้อความว่าหลังจากที่พระองค์นั้นได้เข้าสมาบัติพิจารณาความสงบของนิพพานและพระองค์ก็บ่า บัดนี้เรายังไม่ควรจะประกาศพระธรรมที่เราได้บรรลุแล้วโดยยากเพราะธรรมนี้อันสัตว์ผู้อันราคะและโทสะครอบงำแล้วไม่ตรัสรู้ได้ง่ายธรรมะของพระ อ, องค์นะหมู่สัตว์ที่มีราคะโทสะโมหะครอบงามเนี่ยรู้ยากสัตว์ผู้อันราคะยอมแล้วถูกกองอวิชชาหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็น จะยังสัตว์ให้ถึงธรรมะที่ทวนกระแสคือพระนิพพานธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยปองค์พิจารณาอยู่ก็เลยมีพระไยน้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อที่จะแสดงธรรมปองไม่ต้องการจะแสดงธรรมเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์สัตว์รู้นั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งนะครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพอทราบความปริวิตตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยใจของตนแล้วก็เกิดความปริวิตรกว่าชาวเราผู้เจริญโลกจากชีพหายแล้วหนอโลกจากพินาศแล้วหนอพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่งน้อมพระไทยเพื่อความขวนขวายน้อยไม่ท่งน้อมพระไทยไปเพื่อส่งแสดงธรรมลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรหมได้หายไปจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคดุจบุรุษมีกาลัง เหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้นแล้วห่มผ้าอุตตราสงเฉียงบ่าคุกชานุมนฑลเบื้องขวาลงบนแผ่นดินคุกเข่าข้างขวาลงลงพื้นดินปั่นนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขา้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงแสดงธรรมขอพระสุคตได้โปรดทรงแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายพวกที่มีทุลีน้อยในจักสุมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยพระธรรมของพรนะุทธเจ้านะก็เหมือนกับยาหยอดตาถ้าหากว่าคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยพอหยอดตาเข้าไปก็สามารถที่จะมองเห็นได้คนที่น้าบอดสนิทเลยอย่างเงี้ก็เอาไว้ก่อน อาจจะสงเคราะห์คนที่มีทุลีในดวงตาน้อยเข้าสะสมบุญมาแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมเพราะไม่มีคนแสดงถ้าหากว่าพระองค์ทรงแสดงก็สามารถที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์เขาเหล่านั้นได้ท้าวสามบดีพรมได้กราบทูลดังนี้แล้วจึงกราบทูลเป็นประพันธ์คาถาดังต่อไปนี้ว่าเมื่อก่อนธรรมะไม่บริสุทธิ์อันมีคนมีมนทินทั้งหลาย คิดแล้วได้ปรากฏในมคตชนบทรับที่ผิดๆนี้ได้เกิดขึ้นในแคว้นมคตมากมายขอพระองค์ได้โปรดทรงเปิดประตูแห่งอมะตะธรรมนี้ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดมนทินตรัสรู้แล้วตามลำดับเปรียบเหมือนบุรุษมีจักสุยืนอยู่บนยอดเขาซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลาพึงเห็นชุมชนได้โดยรอบชั้นใด ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระปัญญาจากสุรอบครอบขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมแล้วทรงพิจารณาชุมชนผู้เหลื่อนกลนไปด้วยความโศกผู้อันชาติและชราครอบงามแล้วมีอุปมาฉันนั้นเถิดสามบดีพรหมก็เลยอุปมาให้พระผู้มีพระภาคได้พิจารณา ว่าก็เหมือนกับคนขึ้นบนยอดเขาอะนะหรือเหมือนขึ้นบนปราสาทชั้นสูงสูงพอที่จะมองเห็นโดยรอบฉันใดพระองค์ก็อาศัยความอนุเคราะห์อย่างนั้นแหละขึ้นปัญญาปราสาทแล้วก็พิจารณาดูสรพรพสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรจงชนะสงครามผู้นำหมู่หานี่ไม่ได้ขอพระองค์จงทรงอุตสาหะเที่ยวไปในโลกเถิด ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีผู้ที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยพอมีอยู่หรอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบคําทูลอาราธนาของพรหมและทรงอาศัยความกรุณาในมูสัตว์จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุขคือพระองค์เนี่ยตรวจดูโลกด้วยดวงตาของพระพุทธเจ้าจักสุขมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะ มีหนึ่งยานะจักสุสองธรรมจักสุสามมังสะจักสุพุทธจักสุแล้วก็สมันตะจักสุพุทธจักสุนี่จะมีเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะตรวจดูอัทยาศัยของสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีทุลีในดวงตาน้อยตาคือปัญญาใครมีทุลีมากมีทุลีน้อยใครมีบุญสั่งสมไว้มากสังสมไม่น้อย ใครมีอัธยาศัยอย่างไรพระองค์ก็ทรงพิจารณาหมูสัตว์แบ่งหมูสัตว์เป็นพวกๆวกเมื่อพระองค์ได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขูได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายมีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็มีมีทุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีก็มีมีอาการซามก็มีที่จะสอนให้รู้ง่ายก็มี ที่จะสอนให้รู้ยากก็มีมีปกติเห็นปะโลกและโทษโดยความเป็นไทยก็มีคือความหลากหลายของสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็สา ม, มารถที่จะประมวลสัตว์ทั้งหลายได้สัตว์ทั้งหลายที่ขึ้นขายพยานให้พระองค์พิจารณาในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับคนตาดีเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาในช่วงคืนเดือนมืดบนยอดเขาเนี่ยรอบๆเขาเนี่ยมีกระท่อมเยอะ ในคืนเดือนมืดเนี่ยบุรุษยืนอยู่ข้างบนใช่ไหมกระท่อมไหนจุดแสงไฟเอาไว้เนี่ยคนมีตาดีก็จะมองเห็นไกลขนาดไหนก็พอมองเห็นเพราะกระท่อมนั้นน่ะจุดไฟเอาไว้ฉันได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับชายคนตาดีนี่ขึ้นบนยอดเขาในคืนเดือนมืดมูสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกับใครมีบุญสั่งสมมาก็เหมือนกับกระท่อมจุดไฟเอาไว้พระองค์ก็จะมองเห็นอย่างนั้นแหละ คนไม่มีบุญเนี่ยถึงอยู่ใกล้ๆพระองค์ค์ก็มองไม่เห็นเพราะว่าบุญน้อยแต่ว่าภูเขาเนี่ยไกลขนาดไหนก็มองเห็นใช่ไหมหินมะวันตะบันพศเนี่ยไกลขนาดไหนก็มองเห็นแต่คนบุญน้อยเนี่ยอยู่ใกล้ไหมเดินผ่านตายผ่านมาก็มองไม่เห็นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อย มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมหรือดอกบุญทริกในกอบุญทริตที่เกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่สเสมอน้าบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้าอันน้ำไม่ติดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจกคุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักสูุน้อยบางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักรสุมากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการสามบางพวกสอนให้รู้ง่ายบางพวกสอนให้รู้ยากบางพวกเห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ฉะนั้นเหมือนกันครั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสทาถาตอบเท้าสามบดีพรหมว่า เราเปิดประตูอมตะธรรมแก่ท่านแล้วสัตว์เราใดจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดดูก่อนพรหมเรามีความสำคัญในความลำบากจึงไม่แสดงคมที่เราคล่องแคล่วประนีตในหมู่มนุษย์ครั้นเท้าสามบดีพรหมทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอกาสเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทาประทักษิศแล้วอันตรานไปในที่นั้นแหล หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงตรวจดูว่าพระองค์นี่จะทรงสรงเคราะห์ใครก่อนก็คิดถึงอาลาลดาบทุทกะดาบทก็รู้ว่าอาลาละดาบที่ตายไปได้เจ็วันอุทกะดาบที่เพิ่งตายไปเมื่อคืนแล้วพระองค์ก็คิดปรารภไปสงเคราะห์ปัญจวัคคีทั้งห้าสงสัยพระรมองค์นั้นน่ะที่<ช>มห<ะ>าราธนาเนี่ยทาไมไม่ถือโอกาสฟัง พอรู้อยู่แล้วนะรู้ว่ายังไงครับมีเหตุผลอะไรไหมครับตรงนี้จําได้ไม่แน่นะักรู้สึกว่าท่านอาจจะเป็นพระอริยะองค์หนึ่งด้วยเหมือนกันเคยเป็นพระอริยะมาก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเป็นอดีตภิกษุในสมัยพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมฤุกขทายวันเลยนะบางอย่างรัดได้ก่รัดเพราะว่าจะได้ขึ้นธรรมจักได้ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกโดยลําดับถึงปาอิสิปัตนะมฤุกขายวันแขวงเมืองพาราณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักปัญจวัคคีปัญจวัคคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้นนตหมายกันและกันไว้ว่าท่านทั้งหลายถ้าสมณะโคดมนี้เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกาลังเสด็จมา เราไม่พึงอภิวาทคืออย่ากราบไหว้นะไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาทและจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไว้ถ้าหากพระองค์ปรารถนาจะประทับนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาทจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่ง ปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่างรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเชิดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วท่งล้างพระบาทฝ่ายพระปัญจวัคคีย์เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามและใช้คำว่าอาวุโสคือแปลว่าผู้มีอายุซึ่งเป็นคำเรียก ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยนะคำว่าผู้มีอายุหรือว่าคนเสมอกันเขาเรียกกันว่าอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุมาตรงนี้แสดงว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยอายุมากแล้วตอนนั้นเกิดก่อนพระพุทธเจ้าแกมากๆเถอะอายุแกกว่าแกกว่ามั่งมากด้วยนะมผมบ้านาดูนะแต่ปกตินี้ก่อนหน้านั้นเขาเคารพแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เคารพแล้วเมื่อก่อนก็นับถือว่าเป็นอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์เราคลายความเพียรแล้วก็ไม่นับถือแล้ว เมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คําว่าอาวุโสดูก่อนพิสูจน์ทางหลายตถาคตเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจ ง, งเงีย่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจกทําให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานนั้นแม้ด้วยทุกขะกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉไนจากบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถได้เล่า ทำตัวทุกทรมานมากมายมหาศาลขนาดนั้นยังไม่ได้บรรลุมาฉันมาทำเหมือนทั่วไปเนี่ยจะได้บรรลุได้ยังไงเมื่อพระปัญจวัคคีย์ทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวา่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากๆไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆดูก่อนพิสูนทั้งหลายตถาคต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 ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ครั้งที่สองพระปัญจวัคคีทั้งห้าก็ค้านอีกครั้งที่สองพระองค์ก็ชี้แจงอีกแม้ครั้งที่สามพระองค์ก็ตรัสอีกปัญจวัคคีก็ทูลค้านอีกเมื่อพระปัญจวัคคีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้ เราเคยพูดไหมว่าเราได้เป็นพระอาหารหันต์ตรัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระปัญจวัคคีย์กราบทูลว่าคำนี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียโสดศัดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ ตามที่เราสั่งสอนไม่ช้าสักเท่าไรจะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจังที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรตะชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสา ม, มารถให้พระปัญจวัคคียินยอมได้แล้วลำดับนั้นพระปัญจวัคคีได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้า เงี้ยโสดสดับตั้งจิตเพื่อจะรู้ยิ่งตั้งจิตเพื่อจะรู้ว่าว่าบรรลุเนี่ยท่านบนรรลุอะไรของท่านฟังดูดิท่านจะว่ายังไงลำดับนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบันปะชิตไม่ควรส่องเศษก็คือพระธรรมจักรกับประวัตินสุตรนั่นเองการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามาสุขในกามทั้งหลาย อันเป็นธรรมะอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งข้อหนึ่งก็คือที่สำนวนเราเคยได้ยินก็คือกามสุขะลิกานุโยกนั่นเองแปลว่าการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายซึ่งจะได้ชี้แจงกันต่อไปอันดับสองก็คือการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน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 สสัมมาสังกปะก็คือความรำลริชอบ 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบ 4. สัมมากรรมตะการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะความพยายามชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบสุดท้ายสัมมาสมาธิการตั้งจิตชอบสัมมาตัวนั้นแปลว่าตรงหรือชอบหรือถูกต้องไม่ผิดด้วยการพิสูจน์ทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานตรงนี้พงค์ก็ได้ชี้ชัดสองอย่างเลยว่าทางสุดโตรงเนี่ยมีอยู่สองทางนะซึ่งมันไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้จริงๆก็คือการ สแสวงหาความสุขจากกามคุณทั้งห้าเรียกว่าการมาสุขาริการุโยกก็คือสแสวงหาความสุขจากการมคุณทั้งห้าส่วนอตากิลามัทานุโยกก็คือการทำวิบากและกรรมชรูปให้มันทรมอนจำนวนอภิธรรมเราเาก็คือหนึ่งสแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโทธพัพะพวกนี้เรียกว่าการมาสุขาริการุโยค สการทําวิบากและกรรมชรูปให้มันทุกข์อย่างนี้เรียกว่าอัตากิระมฐ า, านุโยคส่วนข้อปฏิบัติเพื่อกําหนดรู้วิบากและกรรมชรูปเป็นต้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องความเห็นตรงเห็นตรงนี่เห็นยังไงอย่างน้อยที่สุดต้องในเรื่องกรรมและผลของกรรม ถ้าเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะดูกรรมและผลของกรรมได้ตรงไหนเอาดูผลของกรรมก่อนผลของกรรมเช่นภาษาทรูปห้าตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็เป็นผลของกรรมวิบากจิตเนี่ยจิตเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมจิตได้ยินก็เป็นผลของกรรมแต่จิตที่กําลังนึกคิดอยู่ขณะนี้เป็นตัวกรรมคิดอะไรอยู่ตรงนี้นี่แหละคือภพต่อไปข้อปฏิบัติที่รู้เห็นเหตุเห็ น, ห น, ห น, หนผล